เรียกขันห้าเนี่ยให้นิยามขันห้าว่ามันเป็นอย่างนั้นนะแต่ที่ท่านเรียกอย่างนั้นได้เพราะท่านเห็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับกับขันห้าเนี่ยนะสิ่งที่สงบระงับจากขันห้ามันถ้าถ้ากล่าวว่าท่านหมดภาระจากขันห้าเนี่ยมันเป็นความสุขอย่างอย่างแท้จริงนะคือสุขที่ไม่มีขันห้านะสุขที่เพราะไม่ต้องบริหารขันห้า ก็นับว่าเป็นสุขอย่างหนึ่งเหมือนกันเป็นสุขที่ไม่มีอ ม, มิตรเลยเรามาไหร่จะได้พูดแบบนั้นบ้างนะแต่ว่าตามท่านไปก็กออยังเบี้ยฟังข่าวื่าเช้าเนี่ยมีขันห้าร้อยกว่าขันถูกตำรวจจับไป <c oughs> เพราะไอ้ร้อยกว่าขันเนี่ยยกไปตีไอ้ขันห้าอีกควายนึงยักเลย <c oughs> ก็ถูกจับไป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 กับขันท่าเนี่ยนะสิ่งที่สงบระ ง, งับจากขันท่ามันถ้าถ้ากล่าวว่าท่านหมดภาระจากขันท่าเนี่ยมันเป็นความสุขอย่างอย่างแท้จริง น, นะเนี่คือสุขที่ไม่มีขันท่านะสุขที่เพราะไม่ต้องบริหารขันท่าก็นับว่าเป็นสุขอย่างหนึ่งเหมือนกันเนี่ยนะเป็นสุขที่ไม่มีอ ม, มิตรเลยเร า, มาเมื่อไหร่จะได้พูดแบบนั้นบ้างนะไม่แต่ว่าตามท่านไ้ ฟั ง, งข่าวมาเช้าเนี่ยมีขันห้าร้อยกว่าขัน่ะถูกตำรวจจับไปเพราะไอ้ร้อยกว่าขันเนี่ยยกไปตีไอ้ขันห้าอีกควายนึงยักเลยก็ถูกจับไปไปถอเชือโอ้โหเห็นแล้วนะฮะเห็นสมมติเรามาเกิด เ, เกิดเป็นมนุษย์มันยังดีนะชาติหน้านานะ แล้วการเราอยู่ในวัยรุ่นนี้นะแล้วก็เขาต้องมีโอกาสเข้าไปอยู่ในกลุ่มนี้เนี่ยแล้วก็ต้องเฮไปตามกลุ่มนี้เนี่ยนะว่านี่ผมเห็นอันตรายขันห้ามากๆเลยอาจจะหลีกเลี่ยงยากนะ <c oughs> นักเต็งไอ้ยองคนหนึ่งนะเขาเขาเขาพูดเน็บแม่เขาอ่ะนะคือเขามีน้องชายคนเล็กไอ้คนเล็กเนี่ยมันชอบไปเที่ยวตีคนอ่ะนะ ก็บอกเออดีแม่ก็ออกรถให้มันไปเที่ยวตีคนด้วยตีแ <c oughs> ม่เนี่ยก็เครียด <c oughs> พี่ชายเนี่แหมกล่ำเกลืนหน่อยน่าน้องชายก็ไปเที่ยวสักน้อคือมันเหมือนในหนังอะ น, นะมันก็ชวนพวกกันเต็มท้ายรถปิ๊กอัพแล้วไปตีใครก็ไปตัดอย่างง่าย <c oughs> กลุมนี่มันขนาดใครไม่เห็นโทษของขันก็บริหาต่อไป <c oughs> เรา ไ, เไปคิดอะไรมากมายมันจะป่วยก็เน um um ี่ยสมัยหน้าเขาหมดสมัยคุณก็ลงเลยสอสอหาเสียงเลยว่าจะมาแก้ปัญหาเสิ่งเนี่ยนะถ้าเิดการตั้งพักจะเข้านด้วยนี่ตั้งพักนี้ก็จะย่อมไปยุตแล้ว พักนี้มันจะไปยังไงนะเอาพักนี้ก่อนนะพักอื่นค่อยว่าจีิขึ้นทัศน์การศูนยต่อนะมาวานไปดู ท่านบอกว่าคำพีทีคณิกายเนี่ยทั้งหมดมีสาสิบสี่สูตรสูตรที่เสื่อมเป็นอันดับแรกคือสูตรนี้ะะนะนะทีคณิกายนะแต่ก็เป็นอย่างนั้นจริงๆไปที่ไหนไม่ค่อยมีใครอ้างท่าสุตระสูตรเลยแทบไม่ได้ยินเลยน้อยเต็มทีมากกันะของเราเอาท่าสุตระสูตรสูตรที่เสื่อมเป็นสูตรแรกในทีคณิกายมาเรียนเนี่ยก็ถือว่าช่วยช่วยรักษาเอาไว้หน่อยนะก่อนจะหมดไปจากโลก <c oughs> ก่นเนื้อหาเป็นหลักธรรมทั้งนั้นเลยนะห้า้อยห้าิข้อเนี่ยถ้าผู้ที่เจริญหรือเข้าใจโดยสับโดยอัฏฐโดยพยัญชนะของสูตรนี้ก็จะเห็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้คงจะชัดเจนขึ้นนะว่าพระ อ, องค์ตรัสรู้ตรัสรู้แบบนี้นะคือตรัสรู้ว่าสิ่งเหล่านี้ควรทำให้บังเกิดขึ้นนะเช่นมีอุปการะมากเป็นต้น น, น เปิดในหน้า35นะจะได้กล่าวถึงข้อ439คือธรรมะที่แทงตลอดได้ยากทุบปฏิวิชชาเนี่ยบรรลุยากนี่นะคือคือเข้าใจเข้าใจยากมา ก, ก น, นะก็คือสัพปริสธรรมเจ็อยา่างสัพปริสธรรมเจ็อยา่างนี้แทงตลอดหรือเข้าใจยากบรรลุยากดูก่อนผู้มีอายุทั้งหลายภิกูุ์ในธรรมวินัยนี้เป็นผู้รู้เหตุเนี่ยนะ ทำมันอยู่เป็นผู้รู้ผลอัฏฐานอยู่เป็นผู้รู้จักตนก็คืออัฏตันยูเป็นผู้รู้ประมาณเรียกว่ามัฏตันยูเป็นผู้รู้การเวลาก็คือกาลันยูเป็นผู้รู้บริษัทก็คือปริสันยูเป็นผู้รู้จักเลือกบุคคลเรียกว่าปกครองเอ่อ ข, ขออภัยปกครองยูเนี่ยนะจะว่ารู้จักบุคคลเจดอย่างนี่รู้ยากมากเนี่ย แทงตลอดยากเข้าใจยากนะลึกซึ้งตั้งแต่รู้รู้ธรรมะรู้อัฏฐะรู้ตนรู้ประมาณรู้การรู้บริษัทแล้วก็รู้บุคคลน่นะนะอันนี้ก็นับว่าเข้าใจยากนั่นแหละแทงตลอดยากอนะนี่อุคติตันยูเขาฟังแค่นี้แหละได้ดีแล้วคุณวิลาวันของเราต้องฟังนิเทศด้วยจ้ยปฏินิเทศเอาหมด ข้อความในธรรมมันอยู่สูตรอังคุตรนิกายสัตตะกนิบานั่นนะขยายเกี่ยวกับศัพปุริษธรรมเจ็ดอย่างได้กว้างขวางั น, นขอน้อห5สิบ้านะใครทาอายุขนาดนี้จำข้อเอาก็เทียบอายุง่ายมากนะขอน้อห5สิบห้าเวลาวันได้ยัง อ๋อเกินคอแล้วนะก็ลดแต่นะลบเอาก็ได้พอดีแต่นี้ไม่รับแล้วค่อขวัมันตามสบายแก้งลืมนะทำเป็นลืมปฏิทินไม่ลืมอะไรเราเลยเพิ่มไปทุกปีทุกปีนเสียนะข้อความในธรรมมันอยู่สูตรข้อ65 อังคูตระในกายสัตต์กาณิบากกล่าวว่าดูกรพิสูทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมะเจประการเป็นผู้ควรของคํานับเป็นผู้ควรของต้อนรับเนี่นะอ่าเป็นผู้ควรทําอัญชลีกรรมสามจิกรรมเป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าธรรมะเจ็ประการเป็นไนดูกรพิสูทั้งหลายพิกษูในธรรมวินัยนี้เป็นธรร ม, มัญย่คือรู้จักธรรมะ ธรรมะกระเหตนี่ที่จริงกลุ่มเดียวกันเป็นผู้รู้อัถันยูคือรู้จักอัถะอัตันยูรู้จักตนมัตฐันยูรู้จักประมาณกาลันยูรู้จักการแล้วก็ปริสัญยูรู้จักบริษัทปุขละประโรป ร, รัญยูรู้จักเลือกคบคนหรือเรียกว่าที่จริงควรจะแปลว่ารู้จักความยิ่งความหย่อนของบุคคลเนี่ยคว่าปุขละประโรป ร, รัญยูเนี่ยนะ รู้จักความยิ่งความหย่อนของบุคคลตรงนี้ไม่ได้แปลว่ารู้จักเลือกคบคนดูการพิกษุทั้งหลายก็พิกษุเป็นธรรมมันอยู่อย่างไรภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมรู้ธรรมะคือสุตตะคยะวยาการณะคาถาอุทานิติวุตกาชาตกะอภูตธรรมเวทะละ ถ้าหากว่าภิกษุไม่พึงรู้จักธรรมะคือสุตตะเคยะวยาการณาคาถาอุทานิติตอุตะกะชาตะกะอภูตธรรมเวทละเราก็ไม่เรียกว่าเป็นธรรมมัอย่แต่เพราะภิกษุรู้ธรรมะคือสุตตะเคยะอว <ét> ย <al> าการณาคาถาอุทานิติวุตะกะชาตะกะอภูตธรรมเวทละฉะนั้นเราจึงเรียกว่าเป็นธรรมัอย่ด้วยประการช่นนี้เดนะ คำว่าทำรร ม, มันอยู่คนรู้ธรรมะเนี่ยนะถามว่าเอาแค่ไหนพระองค์บอกว่ารู้จักคําสอนที่ประกอบไปด้วยองค์เก้า น, นะนะคสอนของพระพุทธเจ้านะถ้าว่าโดยองค์เนี่ยมีองค์เก้าคือเป็นสุตตะเป็นเคยะเป็นไวยาการณะเป็นคาถาเป็นอุทานอิติพุตตะกะชาตกะอภูตะธรรมเบทะละเอาคําอธิบายเป็นยังไงบอกว่าไปเปิดคํานําในเล่มมหามงกุฎมีทุกเล่ม น, นะนะ ถ้าแปลเป็นภาษาเราเราบอกว่าคำว่ารู้ธรรมะคืออะไรก็คือรู้จักพระไตรปิฎกเนี่ยนะเป็นคนที่รู้พระไตรปิฎกกั่นนะเรียกว่ารู้จักรู้ธรรมะนั่นแหละหรือถ้าพูดสองก็คือรู้ธรรมนิยรู้สามก็รู้พระไตรปิฎกรู้ห้าก็รู้นิกายห้ารู้เก้าก็รู้องค์เก้านะถ้าจะเยอะหน่อยก็รู้แปดหมื่นสี่พันระธรรมคันนี่แหละเรียกว่าคนรู้ธรรมะนั่นแหละ ถ้าหากว่าไม่รู้จักพระไตรปิฎกไม่รู้ธรรมไม่รู้วินัยไม่รู้คําสอนประกอบไปด้วยองค์เกจะเรียกว่ารู้ธรรมะได้อย่างไรพรงคว่างั้นนะจะเรียกบุคคลนั้นว่ารู้ธรรมะได้อย่างไงแต่เพราะมีความรู้ในธรรมวินัยมีความรู้ในพระไตรปิฎกมีความรู้ในนิกาย5มีความรู้ในคําสอนที่ประกอบไปด้วยองค์9พระองค์จึงเรียกว่าผู้รู้ธรรมะนี่นะผู้รู้ธรรมะอันนี้เป็นข้อแรกนะ ถ้ากล่าวแบบสัพปริสธรรมก็บอกว่าเป็นสิ่งที่แทงตลอดยากทุปติวิชชาเนี่ยนะเรียนยากเหมือนกันก็ตระไตรปิกนี้เรียนยากนะถ้าเรียนง่ายๆก็ขายดีมากแต่นี้ก็ขายดีเนะี่ยพระไตรปิฎกขายดีมากเพราะคนชอบทําบุญถวายวัดวยยนะแล้วคุณเวลาวันอ่านเยอะไหมช่วงนี้มีต้องมีก่อนเป็นลำอับเอาไ ว, ไว้ก่อนนะ พูดเหมือน <c oughs> พูดเหมือนบางท่านนะก็บอกขอให้มีไว้ก่อนพระอาจารยบอกอ่านไม่อ่านแล้วก็ไหว้ทีก <c oughs> ็นะคือถ้ากล่าวว่าผู้ที่รู้ธรรมะคือรู้พระไตรปิฎกอ่ะนะเป็นสิ่งที่แทงตลอดยากเรานึกถึงพระพุทธเจ้าใช่ไหมคือของเราเองเนี่ยแค่เรียนตามที่พระองค์แสดงไว้เนี่ยนะพะยัญชนะก็ไม่เลอะเลือนคําสอนพูดไว้ชัดเจนหมดอ่ะนะ แค่เรียนอ่านตามก็ยากเต็มทีแล้วนะทีนี้ถ้าเราม า, มาคิดบอกถ้าเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาเนี่ยนะพระองค์เนี่ยทำสิ่งที่ทำได้ยากอยู่สประการด้วยกันอันนี้นี่พูดแบบพรหมชาลาสูตรนะสิ่งที่ที่ที่บุคคลทั่วๆไปทำไม่ได้เลยอ ะ, อะข้อแรกคือบัญญัติพระวินยัยเนี่ยนะพระพิสุทั่วทั่วไปหรือบุคคลทั่วไประดับภาษาริบุตรบัญญัติไม่ได้นะพระวินัยเนี่ย เพราะฉะนั้นวินัยปิดกจะไม่มีคำบัญญัติของบุคคลอื่นเลยมีแต่ของพระพุทธเจ้าล้วนๆที่ที่เป็นข้อบัญญัตินะมันการบัญญัติพระวินัยเนี่ยยากอย่างที่สองคือการแสดงทิฏฐิหกสิบสองเนี่ยนะ บัญญัติว่ากลุ่มนี้มีลัทธิอย่างนี้กลุ่มนี้มีลัทธิอย่างนี้กลุ่มนี้มีลัทธิอย่างนี้ทําไมเขาจึงมีลัทธิอย่างนี้ขึ้นมาลัทธิอย่างนี้มีผลต่อไปข้างหน้าอย่างไรถ้าจะแก้ลัทธิละลัทธิเหล่านี้ละยังไงแก่ยังไงเนี่ยนะโดยเฉพาะพรหมชาลสูตรเนี่ยผู้อื่นไม่ใช่ฐานะที่จะทําได้นเนี่ยนะกล่าวถึงทิฐิในโลกนี้นะไม่ใช่วิสัยของผู้อื่ น, นเนี่ยนะก็คือการประกาศทิฏฐิหก พระอรหัทั่วๆไปเนี่ยท่านรู้ในส่วนของท่านโดยเอกเทศรู้พอที่จะละกิเลสแต่ท่านไม่ได้รู้เพื่อจะไว้สอนใครเนี่ยนะไม่ได้รู้เพื่อจะประกาศศาสนาแต่พระพุทธเจ้ารู้สิ่งเหล่านี้เพื่อประกาศศาสนาเนี่ยนะมันพระองค์ทําสิ่งที่ทําได้ยากมากอย่างที่สามคือปฏิจจสมุปบาทความรู้ปฏิจจสมุปบาทเป็นความรู้เพื่อที่จะเพิกถอนทิฏฐิหก นะปฏิจจสมุปบาทเป็นหลักธรรมเพื่อแก้ลทัทธิมิจฉาทิฏฐิทั้ง62ปฏิจจสมุปบาทไม่ใช่วิสัยของผู้อื่นที่จะประกาศแต่งตั้งบัญญัติเปิดเผยทําให้ตื้นทําให้ง่ายเป็นวิสัยของพระพุทธเจ้าอย่างเดียวเนี่ยนะที่จะแสดงปฏิจจสมุปบาทจริงๆแล้วความรู้ปฏิจจสมุปบาทเป็นความรู้ที่แก้ลทัทธิ62สิงตร ง, ตรงอะนะรๆอ่านะแรกๆอ่านทิฏฐิหกนะอ่านอย่างนี้ก็ผิด อ่านอย่างนั้นเราก็ว่ามันดีนะอีกภาคหนึ่งพ่อองคว่าผิดอีกแล้วอย่างเงี้ยนะที่ทีหกสิบสองนะถ้าไม่ได้ศึกษาธรรมะมาก่อนนะเราอ่านมาเราจะเห็นด้วยพอเห็นด้วยเสร็จนะพระพุทธเจ้าบอกไอ้นั่นมันผิดนะเออเราก็ชักงงเออจะเอาอยัางไงกันแนะ่เ <c oughs> น, นี่ยนะก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยนะแรกๆนะเช่นอ่านเรื่องอะไรนะปกติสัตว์ทั่วๆไปเราก็ไม่ค่อยเชื่อเรื่องอดีตชาติมากนักอ น, นะพ่อไปอ่านพ่อองค์ก็พูดถึงอดีตชาตินะ อย่งงางัอย่งงางั ง, งนันอย่งงามาแล้วเออเนี่ยมันเหมือนเที่ยงนะว่าตะเนี่ยมันเที่ยงนะเราอ่านปับ๊บเออเห็นด้วยมันเที่ยงจริงๆเสร็จแล้วพ่อองค์ก็ปฏิเสธว่ามันไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอกคือมันไม่ได้เที่ยงอย่างที่คิดหรอกแต่ไอ้ที่เขาระลึกชาตินะ่ะมัา ล, ละลึกถูกแล้วแต่ที่เขาไปเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้เที่ยงอะ่ะมันไม่ถูกนะแต่ทีนี้ของเราก็แบบจะระเข้ฮุบเยือใช่ไหมว่ารับรับหมดเลยไม่ได้แยกยี้อะไรสักอย่างอะนะก็เลย เข้าใจผิดใหม่แต่ก็ไม่ค่อยเถียงท่านอ่ะนะท่านว่าผิดเออเราก็ผิดก็ผิดนั่นน่ะนะแต่ไม่ค่อยออทำไมเราจึงผิดเนี่ยไม่ค่อยรู้หรอกแต่ท่านว่าผิดอก็ผิดผิดไปแต่ตอนหลังแล้วเข้าใจชะว่าถ้าไม่มีความรู้เรื่องปฏิจจสมุป บ, บาทเนะี่ยเราจะไม่รู้หรอกว่าที่ถูกมันเป็นยังไงเพราะคําว่าความเห็นถูกในในคำสอนของเราเรียกว่าสัมมาทิฏฐิเห็นยังไงจึงจะเรียกว่าเห็นถูกก็คือเห็นตามลําดับเห็นไหม เห็นโดยความเป็นขันห้าเห็นขันห้าเป็นสิ่งที่เกิดจากปัจจัยแล้วเห็นขันห้าเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นควรที่่เป็นของที่น่าเบื่อหน่ายและคลายกำหนัดเป็นอย่างยิ่งความเห็นเนี่ยเป็นความเห็นที่ถูกในในคำสอนของเราแต่ถ้าความรู้อันนี้เราไม่มีตั้งแต่แรกนะไปอ่านยังไงก็ก็ยากที่เข้าใจข้อแรกนะทวนอีกครั้งหนึ่งคือบัญญัติพระวินัยข้อที่สอง ทิฏฐิ 62, แสดงที่ฐิหกสอย่างที่สคือปฏิจจสมุปบาทอย่างที่4ที่ไม่ใช่วิสัยของคนอื่นเลยคือการแสดงอภิธรรมทั้งเจ็ดคำพนะีการประกาศอภิธรรมนะทั้งเจ็มคำร์ไม่ใช่วิสัยของบุคคลอื่นเล็ดขาทีนี้ใ น, ในธรรมะทั้งหมดที่กล่าวไปนะทั้งประกาศพระวินยัยแสดงพระสูตร คือที่ทีหกสิบสองแสดงปฏิจจสมุปบาทและแสดงอริธรรมเนี่ยก็คือการประกาศพระไตรปิฎกเนี่ยนะ<ม>การประกาศพระไตรปิฎกสิ่งเราเนี่ยเป็นของยากมากถ้าแทงตลอดยากตรัสรู้ยากถ้าเราอยู่แบบธรรมดาเฉยเฉเลยนะเราก็ค่อยนึกว่าเอ๊ะเนี่ยที่เกี่ยวข้องเนี่ยบัญญัติให้มันเป็นศีลดูซิเราจะทําให้มันเป็นศีลได้ยังไงนึกไม่ออกแล้วมันจะทําให้เป็นศีลได้ยังไงแต่ของพระพุทธเจ้าบัญญัติให้เป็นศีลได้เท่าไหร่ พระวนรินัยบัญญัติเนี่ยนะสองหมืพันพระธรรมมาขันนะพระองค์บัญญัติโดยอาศัยสิ่งเหล่าเนี่ยที่เราเกี่ยวข้องนะมามันเป็นพระวนรินัยบัญญัติขึ้นม า, านะาถ้าเธอทําแบบนี้ประราชิกในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ถ้าเธอทําอย่างนี้เป็นสังฆาธิเศสนะถ้าเธอทําอย่างนี้เป็นนิสกีนะทําอย่างนี้เป็นทุระใจนะทําอย่างนี้เป็นปาจิตีทําอย่างนี้เป็นทุกกดอย่างนี้กกเป็นทุกพาสิทอย่างเง้ยพระองค์มาบัญญัติเป็นพระวินัยได้หมดะ่ะ เรานึกตามยังนึกยากเลยนะเขบอกว่าท่องปาติโมกเนี่ยจําอย่างที่พระองคอ์รู้แทงตลอดแล้วมาจําตามยังจํายากเลยฟังกั้นเถอะทีนี้ถ้าต่อไปนะทิฏฐิหกสิบสองเนี่ยนะทิฏฐิหกสิบสองเนี่ยนะแต่ละทิฏฐิแต่ละทิฏฐิเกิดจากมูลเหตุยังไงมีอะไรเป็นยังไงเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะเข้าใจได้ง่ายๆเห็นไหม ก็ศึกษาเข้าใจตามยังยากเลยนะแล้วมองสิ่งเหล่านี้ให้ปเป็นปฏิจจสมุปบาทสิเนี่ยนะมองให้เป็นอดีตเหตุปัจจุบันผลปัจจุบันเหตและอนาคตผลโดยที่สาวไปแล้วไม่สับสนไม่ไม่ยุ่งเหยิงเนี่ยนะอันนี้ก็ยากมากเนี่ยนะโดยเฉพาะแล้วบัญญัติสิ่งเหล่านี้ให้เป็นจิต นะจิตตุปาถการรูปประกันนิเขปกันอัตถุธารการบันให้มาเป็นวิพัง18ประการเนี่ยนะจำแนกมีขันธวิพังเป็นต้นนะจํจำแนกสิ่งเหล่านี้โดยธาตุกถาบุคคลบัญญัติกระถาวถัตถุยมกะแล้วก็โดยปัฏฐานเนี่ยนะมาทำยากมากแต่จริงพระองค์ก็อาศัยสิ่งที่มีอยู่เนี่ยมาบัญญัติเนี่ยนะ เรียกว่าพราะองค์เป็นผู้รู้ธรรมะอย่างอย่างแท้จริงทีนี้พิสุทั่วไปที่เป็นนาบุญก็เหมือนกันท่านก็เพราะท่านรู้ธรรมะเหล่านั้นแต่ฐานะรู้ตามเหม็นอย่างนี้เรียกว่าทร ม, มันอยู่รู้ธรรมะเนี่ยนะแต่ถ้าระ ล, ลึกคาสอนอะไรไม่ได้เลยจำคำสอนอะไรไม่ได้เลยจะเรียกว่ารู้ธรรมะได้ยังไงพรนะองค์ก็ถามมานะว่าจะเรียกว่ารู้ธรรมะได้ยังไง